เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่สยามพารากอนอย่างที่เราทราบดีแล้วก็มีหลายคนเสียชีวิตนะจากการายิงของเด็กชาย 24. อายุ14คนหนึ่งที่เสียชีวิตก็คือตะวันนะเป็นสาวพมา่าทำงานอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในสยามพารากอนแล้วเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยตะวันนี่เป็น เด็กดีมากนะหาเงินเท่าไหร่ก็ส่งเงินให้แม่เดือนละหมื่นนะเป็นประจำนี้ทุกเดือนทำมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่ค้นขวายในการเรียนรู้พูดได้หลายภาษาไทยจีนแล้วก็อาจจะอังกฤษด้วยนะเพราะว่าก็มีลูกค้านานาชาติมาที่สยามพารากอน ในช่วงที่มีการบำเพ็ญกุศลนะให้กับตะวันเนี่ยแม่ก็เดินทางจากพมา่ามารวมพิธีแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พ่อของเด็กชายวัย14เนี่ยก็มางานศพด้วยพ่อในชาวนั้นซึ่งเป็นอาจารย์ หมาเท่าไรก็ไปกราบขอคามาแม่ของตะวันและพร้อมกลับยื่นซองให้นะซองนี้นก็มีเงินจำนวนหนึ่งแต่แม่ของตะวันเนี่ยกลับดึงพ่อของเด็กชาย4เนี่ยให้ลุกขึ้นยืนบอกไม่ต้องกราบแล้วก็ปฏิเสธไม่รับเงิน ที่ไม่รับเงินนี่ไม่ใช่เพราะโกรธนะแต่เพราะเห็นว่ามันแลกกันไม่ได้ระหว่างเงิ น, นกับชีวิตของลูกสาวแล้วก็ต่อมาเนี่ยแม่ของตะวันนี่ก็พูดผ่านล่ามนะบอกว่าเสียใจนะที่ลูกเสียชีวิตแต่งน้อยเนี่ยก็รู้สึกตัวเองโชคดีนะ โชคดีที่มีลูกดีนะลูกที่รักพ่อรักแม่เนี่ยมาเมืองไทยตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกก็หาเงินส่งให้พ่อแม่นี่ตั้งแต่อายุสิบหกนะเป็นประจำเรียกว่าเป็นลูกกตัญญูมากตรงข้า้ตัวเองกับรู้สึกเสียใจแทนพ่อของเด็กนะอายุสนะิบี่เนี่ย เสียใจว่าเนี่ยพ่อองเด็กเนี่ยเด็กชายคนนี้ยคงจะมีความทุกข์มีความเสียใจมากที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วแม่ทางตะวันก็ยังพูดต่อไปว่าเนี่ยอยากให้กำลังใจพ่อนะให้สู้ต่อไปโอ้น้ำใจแก่ประเสริมากนะแมงตะวันเนี่ย คือนอกจากไม่โกรธไม่เกลียดพ่อของคนที่เป็นฆาตกรฆ่าหลูกงตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกห่วงใย ห, ห่วงใยพ่อของเด็กนะคนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะจมอยู่ในความทุกข์ของตัวแล้วก็อาจจะโกรธแค้นโกรธแค้นผู้คนที่เกี่ยวข้อง ที่ทําให้ร่วงตัวเองตายหรือบางทีก็โกรธตัวเองหรือบางทีก็โกรธชะตากรรมนะจกนกระทั่งไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความทุกข์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง แ, แม่แมงตอง ว, วานเนี่ยแม่ทุกอย่างไงนะแกก็ยังรู้สึกเห็นใจพ่อของเด็กคนนั้นนะรู้ว่าเขาต้องเสียใจมาก า, าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีซึ่งในแง่นี้เนี่ยแม่ของตะ ว, วันเขาก็มีความปลื้มใจนะที่ลูกเป็นคนดีก็เลยเข้าใจนะว่าพ่อของเด็กเนี่ยเมื่อพบว่าลูกเป็นคนไม่ดีเนี่ยหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยย่อมมีความทุกข์มากเสียใจและต้องทุกกับ การที่ต้องรับผิดชอบนะกับสิ่งที่ลูกชายได้ทำเอาไว้นะคนก็ตายหลายคนบาดเจ็บอีกมากก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพ่อและวมีนามสัง์ยังต้องมาวุ่นวายกับคดีความการฟ้องร้องซึ่งคงจะมีอีกมากมายคนเป็นพ่อเนี่ยคงจะทุกข์มากเลย แล้วไหนลูกเนี่ยนะจะติดคุกอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นความหนักอกหนักใจองเป็นพ่อมากนี่แม่ของตะวันคงจะรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยนะแล้วก็คงจะเห็นต่อไปนะว่าคนเป็นพ่อเนี่ยคงจะต้องหนักใจนะกับอนาคตของลูกไอ้สิ่งที่ลูกทาไปแล้วนี่ พ่อแม่ก็ปวดหัวกุ้มอกกุ้มใจมากมายอยู่แล้วแล้วอนาคตเนะ่ยเด็กเพิ่งอายุสิยังมีชีวิตยอยู่ได้อีกต้อง60 70ปีแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่จะทำยังไงนะอนาคตของลูกซึ่งมันดูมันจะไม่มีอนาคตสละแล้วลูกจะทําอะไรต่อไปในวันข้างหน้าพ่อแม่ก็คาดเดาไม่ได้พอคิดแบบนี้แล้วคงจะทุกข์มากเลย แม่ังตวังคงจะรับรู้นะว่าเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยจะต้องมาทุกข์หนักอกหนักใจยังไงบ้างก็เลยพูดึ้นมาว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยในความเสียใจตัวเองมันน้อยกว่าความเสียใจหรือความทุกข์ของผู้เป็นพ่อของเด็กนะก็เลยเกิดความเห็นใจไม่โกรธไม่เกลียดอยากให้กำลังใจเนนะนว่าจิตใจของ อย่งนี้ประเสริฐมากนะแต่ที่หน้าคิกอย่างนี้คือว่าแม้ทุกอย่างไงเนี่ยก็ย้อนสู้ว่าตัวเองโชคดีนะตัวเองโชคดีที่มีลูกที่ดีแม้ลูกจากไปก็มีแต่ภาพดีๆประทับอยู่ในใจของผู้เป็นแม่ซึ่งต่างจากคนเป็นพ่อนะของเด็กคนนั้นเนี่ยนึกถึงลูกทีไรเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ สิ่งไม่ดีมีภาพประทับที่ไม่ดีอยู่ในใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่้ความรู้สึกมันต่างกันเลยนะคนหนึ่งมองในแงน่นี้เออเราโชคดีนะที่เรามีลูกที่ดีนะแม้ลูกเราจะจากไปแล้วแต่ก็มีแต่ความรู้สึกดีๆให้คนหนึ่งเนี่ยนะแม้ว่าจะร่ํารวยนะมีเกียรติมีฐานะแล้วก็อาจจะมีอนาคตในทางวิชาชีพนะ แต่ว่าดูแล้วก็คงไม่ช่ชงดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้แล้วก็มีแต่ภาพลบๆที่ฝังใจของตัวเรื่องนี้ก็ทำให้นึกถึงอีกกรณีหนึ่งนะคนไทยครอบครัวหนึ่งไปตั้งรกรากที่อเมริกา ผู้เป็นพ่อนี้ก็ตอนหลังก็เป็นหมอสอนเป็นครูสอนศาสนาอิสลามในรัฐมิสซูรีครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งนะกาลังเรียนหนังสืออยู่ก็ขยันแข่งขันนะทำมาหาเงินเพื่อส่งเสียเป็นทุนการศางตัวเองงานที่ทําอาชีพก็คือไปส่งพิซซ่าก็คือหนึ่งไปส่งพิซซ่ากับลูกค้ากลับมา ยังไม่ได้ถึงบ้านเลยถูกแทงตายนถูกวัยรุ่นอีกคนหนึ่งแทงตายแล้วเอาเงินไปจับฆาตรกรได้แล้วก็ต่อมาก็จับผู้สมรู้ร่วมคิดได้ด้วยวันที่ศาลเนี่ยตัดสินผู้ที่สมรู้ร่วมคิดหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าลูกชายเนี่ยก็เชิญครอบครัวนี่มาด้วยแล้วก่อนที่ศาลจะตัดสินนะ พ่อของเด็กที่ตายเนี่ยแกก็ประกาศกลางศาลเลยว่าผมโกรธนะมาร้ายที่ชักนำให้คุณเนี่ยฆ่าลูกของผมจะพูดกับจำเลยนะแต่ผมไม่โทษคุณนะผมไม่โกรธคุณนะผมให้อภัยคุณเพราะคนตะลึงกันมากเลยนะว่าทำได้ยังไงนะ่ให้อภัยคนที่ร่วมฆ่าลูกของตัว อาจารย์นี่แกก็บอกว่าเนี่ยมันก็ยากนะการที่ให้าภัยคนที่ฆ่าลูกเนี่ยแต่ว่าก่อนนั้นนี่ได้มาปรึกษากับลูกๆนะว่าทายังไงเราจรึงจะทำให้สิ่งที่เวลวร้ายที่เกิดขึ้นกับลูกของเราเกิดผลในทางบวกไม่เกิดผลในทางลบเราก็เลยตัดสินใจให้อาภายัยฆาตกรและผู้สมรู้ร่วมคิดนะ เรคิดดีมากเลยนะทํำยังไงจะทําให้สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะกับคนที่เรารักเนี่ยซึ่งเป็นลูกหรือเป็นเป็นเป็นน้องเนี่ยนะเกิดผลในทางบวกไม่เกิดผลในทางลบแล้วก็พราบว่าให้อาภัยนั่นแหละดีสุดเพราะไม่งั้นเนี่ยใช่มีความเครียดแค้นพยาบาทไอ้ความตายของคนที่เรารักมันก็จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากขึ้นมันทําให้ทุกคนต้องเป็นทุกข์หนักกว่าเดิม แต่พายอาภัยล่ำก็อย่างน้อยก็ไม่มีความพยาบาทไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์อันนี้ก็เรียกว่ารู้จักทําให้สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักมันเกิดผลในทางบวกน้ําใจของพ่อของเด็กที่ตายนี่ก็ประเสริฐไม่น้อยไปกว่าน้ําใจของแม่ของตะวันนะที่แม้จะสูญเสียลูกแล้วแต่ไม่โกรธแม่โกรธพ่อของเด็ก ที่เป็นฆาตรกรและถามยั ง, ง ห, ห่วงใจเห็นใจเข้ให้กำลังใจเขาใหอสู้ต่อไปนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้นะแต่ต้องอาศัยธรรมะมากทีเดียวนะหรือมุมมองที่ดีนะแม้กระทั่งมุมมองว่าเราโชคดีนะที่ยังมีลูกที่ดีเขาต่องหากที่โชคร้ายแม้ลูกเขายังอยู่ แต่ต้องติดคุกติดตารางแล้วต้องต้องกลายเป็นคาตรกรแล้วก็ต้องสร้างภาระใหกับผู้เป็นพ่อนั่นถ้าเรามองแบบนี้บ้างนี่มันก็ช่วยคลายความทุกข์ลงไปได้ไม่น้อยเลยสิเดียว